กิเลสไม่ไปด้วยอำนาจบาปอากุศลไปตามมัชชิมาปฏิปทาไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจและไปเพื่อสงเคราะห์สรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกเนี่ยนะนั้นเขาเรียกว่าสุขโตโลกวิทูพระพุทธเจ้ารู้แจ้งลูกอนุตตรบปุริสธรรมสารทิซึ่งอันนี้คือที่ตั้งแห่งศรัทธาเพราะบอกว่าอริยสาวกที่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 เอาเฉพาะตัวพุทธคุณนะเรื่องอื่นยกตรงยกไว้อาจจะไปสวดมนต์วิชาบทอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะ่ร้คาถาอาคมเวทมนต์ขลังอะไรเยอะแยะก็ช่างเถอะแต่ว่าอยู่กับพระพุทธคุณจริงๆอะ่ะถึงช่วงถึงสิบนาทีไม่ต่อวันนะหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงยี่สสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันนั้นะตลอดชีวิตเราคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งกี่นาทีนะถ้ามาวัดกันตรงนี้จะรู้ว่าไม่มากนะถือว่าศรัทธานี่ไม่มากทีนี้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 กับสัพพสัตว์ได้หมดเลยอยู่ได้ทุกที่เพราะนี่ยผ้าปูนั่งของโยมก็มีสัตว์อยู่นะอย่าไปคิดว่าเพราะฉะนั้นคิดถึงอะไรที่เกิดได้หมดบอกว่าในคัำพีเขาพูดถึงเรื่องพระพิสูรรูปเนี่โอ้ยนอนคิดถึงจีวรฟื้นสวยตายคืนนั้นเกิดไปที่ไหนมาเกิดอยู่ในจีวรนั้นแหละเกิดในจีวรแล้วเกิดเป็นเลนเกิดเป็นตัวไรฝุ่นอ่ะนะไรฝุ่นนิดเดียวอยู่ในเรียกว่าเป็นเลนอ่ะเป็นตระกูลไรฝุ่นเกิดที่เลนอายุเจ็ดวันตาย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 เพราะว่าบุคคลจะล่วงพ้นจากทุก์ได้พ้นจากวัฏฏะได้ก็ด้วยศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาเป็นเบื้องแรกเนี่ยยากนะนั้นศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราถ้าจะให้ใจเรามีศรัทธามีคุณค่ามีคุณภาพมีอนุภาพยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยนะเราต้องปลูกใจไว้กับสถาน ท, ที่ที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงสูงพระพุทธเจ้านั้นดีที่สุดเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นเป็นสถานที่ที่ควรฝากศรัทธาไว้ดีที่สุด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 ในมิลินนะปัญหาเขาพูดกำตั้งคําถา ม, ถามพระเจ้ามิลินเขาถามว่านี่พระนาคเสนหรพระคุณเจ้ามางั้นข้าพระเจ้าไม่เชื่อหรอกนะที่พวกท่านพูดกันว่าอ่าคนคนหนึ่งทําบาปครั้งเดียวตายแล้วตกนรกก็อีกคนคนหนึ่งทําบาปมาชั่วชีวิตก่อนตายคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วไปสวรรค์ไม่เชื่อมางั้นไม่เชื่ อ, อะนไะถ้าถ้าโยมไม่ยอมเชื่อไหมยังไงฟังขึ้นไหม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 นางเดินสะดุดนิดหนึ่งก็บอกนะโมตสสะภคะวะตัวระหะตสัมมาสัมพุทธสสะแปลภาษาไทยว่าขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพราะฉะนั้นอะไรแบบอะไรดั ง, ง, งก้องแกงก็ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคิดได้อย่างนี้ตลอดมีเออทีนี้สามีเนี่ยมันลำคาญมากเลย สานะมีนี่รำคาญเพราะนับถือคนลศาสนาเมีย น, นี่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันัวนี่เป็นคนลศาสนากันแม้คําพูดนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะรำคาญที่สุดในบรรดาคำทั้งหลายมันไส่มากเลยเออทําไงดีเนาะมีวันหนึ่งเขาก็เลยเลี้ยงนักบวชศาสนาของเขาห้าร้อยท่านบอกนี่หล่อนบอกว่าเธอเนี่ยวันนี้ฉันขอร้องเธออย่าพูดถึงสมณะโลนสักวันหนึ่งได้ไหมรำคาญมากเลย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 บุคคลที่ไม่เลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมไม่ใช่ฐานะที่จะเลื่อมสายในพระสงฆ์บุคคลที่ไม่เลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ฐานะที่จะเลื่อมสายในศิกขาอธิศินอธิจิตอธิปัญญาบุคคลผู้ไม่เลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศิกขาไม่ใช่ฐานะที่จะเลื่อมสายในสมาธิบุคคลไม่เลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศิกขาในสมาธิมิใช่ฐานะที่จะเลื่อมสายในความไม่ประมาท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 ก็เลยเรียกว่าพอพอไปเกิดในสวรรค์ก็ยังเป็นเทวดาที่มีห้าจุกอยู่นั่นแหละเรียกว่าเป็นเครื่องหมายก็เลยเรียกว่าปัญจสิกขคนทันเทพบุตรเป็นเทวดากลุ่มนักร้องเนี่ยนะไปเกิดเป็นเทวดาประเภทนักร้องคนทันเนีแ่แปลว่ากลุ่มนักร้องปัญจสิกขคนทันเทพบุตรนั้นเมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปราตรีเก้าล่วงไปก็คือประมาณหลังสี่ทุ่มไปแล้วมีรัศมีงดงามยิ่งส่องเขาคิดจูกุฎให้สว่างไสวเนี่ยนะ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 ดาวเดึงในหมายว่าพวกสามสิบสเนี่ยนะเสร็จแล้วก็จะมีเทพบริษัทอีกถัดจากนั้นก็มีเท้ามหาราชทั้งสี่องค์ผู้นำนั่งประจำสี่ทิศหรือว่าอยู่ในสี่ทิศคือทิศตะวันออกนี่เท้ามหาราชทัตตระทเทวดาเป็นพวกเทวดาห้อมล้อมนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกคือคือตรงกลางนี่จะเป็นพระอินทร์แล้วก็จะมีพวกเทวดาสาสาท่านแล้วก็จะมีเทวดาเหล่าอื่นที่มีบุญหนักสักใหญ่เนี่ยนะแล้วก็ เ ท, ท้าทตระทะเป็นราชาแห่งนักร้องเทวดานักร้องคนท่นานสวรร์ชั้นจาตุมเนี่ยนะมีมีมีเทวดาที่เป็นราชาอยู่สท่านด้วยกันจาตุมมหาราชจาตุมก็แปลว่าจาตตแปลว่าสมหาราชก็คือราชาเทวดาอยู่สี่กลุ่มด้วยกันเนะเป็น4ี่กลุ่มพระอินเนี่ยตำแหน่งของพระอินเนี่ยครอบคลุมดาวเดินกับชั้นจาตุมเนี่ยเทวดาชั้นจาตุมมีมหาราชาสี่องค์เนี่ย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 เทวดานักแสดงถ้าเทวดาไหนเช่นอะไรนะพวกพวกผีสิงไหนแล้วสิงถูกผีสิงแล้วร้องรํำทาเพลงเนี่ยแปลว่ามาจากสายคนทันมานั่นนะเทพเทวดาสายนี้มาแล้วก็เทวดาท้าววิรุฬ6อ่านะวิรุฬหโกวิรุฬ6เนี่ยพวกนี้เทวดาเวทล้อมหันนั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือนั่งอยู่ที่ใต้หันหน้าไปทิศเหนือท้าววิรุณ6เนี่ยเป็นพวกกลุ่มพันกลุ่มพันก็เป็นยักษ์เอกตระกูลหนึ่งเนี่ยนะเป็นกลุ่มยักษ์ ส่วนในทิศเหนือเท้าอขอไปในทิศ ต, ตะวันตกเท้ามหาราชวิรูปักนะวิรูปักขะในวิรูปักขะตระกูลนาคเป็นหัวน่ะ เ, เป็นเทวดามหาราชที่ดูแลควบคุมถึงพญานาคเนี่ยนะพวกกลุ่มพญานาคเนี่ยจะขึ้นตรงต่อเท้าวิรูปักแล้วก็ทิศเหนือเท้ามหาราชเวสวร์เ น, น, นี่ยนะท้าวเวสวร์โนเนี่ยนะท้าเวสวร์ก็คืออันนี้เป็นพวกที่ดูแลเป็นเทวดาของพวกยักษ์ทั้งหลาย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 ทิศทั้งสี่บอกว่าอาสนะนี้เป็นของพวกท่านเหล่านั้นคืออาสนะนี้ชุดนี้เป็นของพระอินอาสนะนี้เป็นของเทวดาอีก3องค์นะชุดนี้เป็นของเท้ามหาราชชุดนี้เป็นของเทวดาทั่วไปชุดนี้เป็นบริวารของเท้ามหาราชนะผู้นำอยู่นักปฏิทิทั้งสี่ท้ายพวกหลังหลังมาเนี่ยของข้าพระองค์นะเป็นเป็นพวกหลังๆังมาเป็นอาสนะของพวกข้าพระองค์พระพุทธเจ้าข้า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 เหตุการณ์ตอนนั้นก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่นานเท่าไหร่นะไม่ไม่กี่ปีเนี่ยนะก็มีพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาคําว่าพรหมจรรย์นั้นเป็นการเจริญอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาพวกนี้ก็พรหมจรรย์คืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะบอกพระโสดาบันเนี่ยทำอธิศีลให้บริบูรณ์อธิจิตพอประมาณอธิปัญญาพอประมาณเป็นพระโสดาบันสกทาคามีก็เหมือนกัน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 เท้าสก่าคือพระอินเนี่ยเห็นเขาเขารู้ว่าละจิตกันคือเทวดาเนี่ยบางทีก็แทบไม่ต้องพูดกันอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้กันนะนะเรียกว่าแค่มองหน้าก็รู้ใจว่างั้นเหรอมองหน้ารู้และอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรเพราะฉะนั้นอย่างเช่นก็คิดคนคนเขาเอาเค็เขาแบบนะคิดง่ายๆแบบภาษาเราเคนเขามองเราด้วยความกโกรธเนี่ยเรามองออกไหม mm. เ, เขากําลังโกรธเราเขาวัดกันที่สภาวะไม่ได้วัดกันที่เรื่อง harbor. ถ้าเขาโกรธเราเนี่ย เ, เ, เรามองตามองตาเรามองมออกไหมว่าเขาโกรธเรา ถามว่าเขาชอบเราเนี่ยนะตามองตาเราพอมองออกไหมว่าเขาชอบเราเป็นต้นเนี่ยมันจะรู้อะคนหลับเนี่ยมองตารู้ไหมว่าเขากาลังง่วงมองออกไหมมองออกนะไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดตาหรอกมองตัวหัวก็รู้แล้วว่าโยกไปโยกมาเป็นต้นกับเราบางง่วงนั่นแหละก็คือสรุปว่าก็คือเขาวัดกันที่ตัวความคิดเนี่ยนะวัดกันที่ตัวความคิดเพันเขาเมื่อมองความคิดตั้บเขาจะมองกันออกเนี่ยนะเขามองออกเขาตรวจดูวาระจิตว่าอีกฝ่ายคิดอะไร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 เขามาเห็นเขารถบรรทุกแกลบคันหนึ่งเต็มคันสิบล้อหมดเลยรถบรรทุกแกลบเนี่ยยมว่าเขาบรรทุกน้อยหรือบรรทุกมากเยอะหรือมากบรรทุกมากทีนี้ถ้าเถียมว่าถ้าว่ากับคนที่เขาเอาเพชรไปกำมือเดียวเนี่ยนะกับรถนั่นแหะบรรทุกแกลบทั้งคันเนี่ยแกลบกับเพชรกำมือเดียวอไหนมีบุญราคามากกว่ากันคือบุญบางอย่างนี่เขาวัดกันที่ตรงและคล้ายๆแบบนั้นอ่ะ บุญบางอย่างเนี่ยถึงจะดูเหมือนทำไม่มากแต่ว่ามันมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากบุญบางอย่างทำมากแต่กาไรนิดเดียวเนี่ยนะันก็ในผู้ศาสนาก็จะเน้นประเภทบุญที่มีผลมากบุญที่มีอา น, นิสงส์มากนะก็ทมันพวกที่ทำบุญในพระพุทธศาสนาโดยมากโดยเฉพาะสมัยพุทธกาลเนี่ยพวกนี้เวลาเกิดในสวรรค์ก็เป็นพวกที่มี น, นะบุญเรียกว่ามีบุญมาก